บุคคลอื่นช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเล็กน้อยมากเลยนะที่สัตว์ประสาททั้งหลายที่ว่าไปช่วยท่านเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องติอนเรื่องรถเรื่องอะไรทั้งหลายที่ที่ทําเพื่อพระองค์จริงๆแล้วทําเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับพระองค์ทําแก่สัตว์ทั้งหลายทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข น, นะเพื่อเกื้อกูลแกโลกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นสิ่งที่พระองค์ทํานั้นหาประมาณไม่ได้เพราะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากอบายทุกขติวิริบาต ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัตตะสงสารพ้นจากภพที่น่าร um, yeah. ังเกียจเนี่ยนะสำหรับพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครันของพระพุทธมารดานั้นพระพุทธมารดานั้นมองเห็นอยู่คอยดูแลพระโพธิสัตว์เพื่ออยู่อย่างสบายพระองค์นั้นมองเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิก็คือปกติก็นั่งแบบคล้ายๆนั่งขัดสมาธินะมันแบบนั่งขัดสมาธ์แบบแหม้คนเข้านั่งเข้าฌานอะไรแต่ว่าก็คือแบบคล้ายๆว่านั่งแบบเหมือนคนนั่งสมาธินั่นเอง เหมือนอย่างว่าสัตว์เหล่าอื่นนะสัตว์เหล่าอื่นเวลาอยู่ในคัน้องก็บีบพงอพ่อพองก็บีบแล้วก็พงแขวนกระเพาะทําแผ่นท้องไว้ข้างหลังอ า, อาศัยกระดูกสันหลังวางคางวางคางแล้วก็ก้มบนกำกำมือนะนั่งเจ้าเหมือนลิงที่โพรงไม้เมื่อฝนตกฉันใดเราเคยเห็นรูปถ่ายของเด็กในคันไหมนั่นแหละเหมือนดิงในโพรงไม้ฉันใด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 ถ้าเทียบกับพระไมด้เป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ทากระดูกสันหลังไว้ข้างหลังนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกดุดพระธรรมกถึกนั่งบนธรรมธาตุปกตินะถ้าเด็กในคันทั่วๆไปก็จะหันหันหันหันหลังออกนอกหันหน้าเข้าในแต่พระโพธิสัตว์นั้นตรงกันข้ามนันะหันหน้าออกนอกหันหลังเข้าใน พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระคันของพระมารดานี้ไม่เห็นพระพุทธมารดานะแต่พระพุทธมารดานั้นมองเห็นพระโพธิสัตว์เพราะถือว่าจักขูวิ ญ, ญญาณไม่เกิดในท้องเนี่ยนะก็ไม่ได้มองเห็นอะไรต่อไปในข้อข้อสิบเเนี่ยนะดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้เจดวันพระมารดาพระโพธิสัตว์ย่อมที่วงคต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 ในข้อต่อไปข้อ20บอกว่าดูก่อนพิ่สุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังต่อไปนี้อีกว่าหญิงอื่นๆบริหารคันเนี่ยนะเเดือนบ้าง10เดือนบ้างจึงคลอดสําหรับมารดาพระโพธิสัตว์หาเหมือนอย่างนั้นไม่พระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นบริหารคันพระโพธิสัตว์หมายความว่าบริหารพระโพธิสัตว์ในพระคันเนี่ยครบ10เดือนท้วนจึงประสูติข้อนี้เรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ่ยนะ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 เสร็จประสูติอย่างง่ายดายทีเดียวไม่เปะเปื้อนด้วยน้ําไม่เปะเปื้อนด้วยเสมหะไม่เปะเปื้อนด้วยเลือดไม่เปะเปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดพ่องคือผิวของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผิวที่ละเอียดมากเว่ากั้นถ้าส่งน้ําไม่ต้องเช็ดตัวฝุ่นนี้ไม่มีเปื้อนเพราะฉะนั้นนี่จึงสะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งใดออกมาเลย เหมือนอะไรเหมือนแก้วมณีย่อมไม่ทําผ้ากาสิกพัดให้เปรอะเปื้อนเลยถึงแม้ผ้ากาสิกพัดผ้าแควนกาสีเนี่ยนะก็ไม่ทําแก้วมณีให้เปรอะเปื้อนเอาเอาเพชรเนี่ยนะเอาเพชรไปวางบนผ้าผ้าทําให้เพชรเปื้อนไหมผ้าสะอาดสาดนะนะเพชรทําทให้ผ้าเปื้อนไหมผ้าทําให้เพชรเปื้อนไหมฉันใดอะนะ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 ตาปลามเนี่ยนะมีสองชั้นคลุมตลอดพระบาทประทับยืนขณะนั้นมารดาพระโพธิสัตว์ได้ประสูตรพระโอรสคลองอ น, นะพระโอรสคลองเช่นกับน้ำไหลออกจากพระธรรมะคะกหรือภาคน้ำที่ที่เขากองน้ำให้พระ น, นะลำดับนั้นเทวดาที่มีเพศเป็นพรหมตามปกติเข้าไปรับด้วยขายทองคำก่อน ถัดจากนั้นมาเท้ามหาราชทั้งสีเอาเครื่องลาาทําด้วยหนังเสือเหลืองรับจากพระหัตถ์ของพรหมจากนั้นมนุษย์จึงรับด้วยผ้ารองสองชั้นนะขั้นจึงเทวดารับก่อนมนุษย์รับภายหลังเทวดาที่รับตอนที่ประสูดออกมาเนี่ยไม่ใช่คลอดมาปั๊บตกเลยตุ๊บไปเลยไม่ใช่แบบนั้นพอคลอดผ่านจากพระครันมาปั๊บเนี่ยนะพรหมก็รับเมื่อพรหมรับเสร็จพรหมก็บอกวันนี้โอรสผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเกิดนะดีใจเธอว่างั้นเสร็จแล้วก็เท้ามหาราชก็รับแล้วก็ยื่นให้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 เป็นท่อน้ำเย็นอีกท่อหนึ่งเป็นท่อน้ำร้อนอีกท่อหนึ่งหรือว่าสายน้ำร้อนกับสายน้ำเย็นเนี่ยนะไหลมาจากอากาศสายน้ำร้อนสายหนึ่งสายน้ำเย็นสายหนึ่งนะเป็นน้ำมาสำหรับสงสนานอาบให้แก่พระโพธิสัตว์และมารดาพระโพธิสัตว์นะความที่สายน้ำไหลมาเนี่ยถือว่านนเป็นเรื่องธรรมดาบทว่าอุอกทกะธาราคือสายน้าสายน้านั้นเป็นน้าเย็นไหลออกจากหม้อทอง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 อื่นๆที่ไหลไปสู่สะบก ค, ครณีมีหางสวตสดกะเป็นต้นแปลว่าไม่มีการไปตักมาให้นะนะแปลว่าท่อน้ำสายน้ำไหลมาจากอากาศอาบราบรถถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดน้ำที่บริสุทธ